อยากเล่านิทานเรื่องชีวิตให้ฟังโดยชีวิตคนคนหนึ่งในเกิดมามีความสุขอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ไหลไปสู่ความเสื่อมความเสื่อมมีมีมากความสุขมีน้อยหรือแทบไม่มีเลยก็ได้มันเป็นการสืบต่อของธาตุขันเป็นความสืบต่อของความเปลี่ยนแปลงเป็นความไหลต่อเนื่อง ของการหน้าที่คนทําหน้าที่ของธรรมะจะจะมีสักกี่คนนะที่รู้เท่าทันความเป็นไปของสรรพสิ่งเนี่ยเมื่อเราไม่รู้เท่าทันเราก็ตกอยู่ในอำนาจของความยาอำนาจของความทุกขเวทนาทั้งหลายื่อทีถ้าบอดนะหลงไม่รู้จังไปทุกขเวทนาเนี่ยเป็นปัญหาเรา เอาทุกเวทนามาเป็นที่พึ่งโดยซ้ําไปชีวิตเนี่ยชีวิตเราเหมือนคนพายเรือพายเรืออยู่ในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวบางทีไม่ได้อยู่ในกระแสน้ําไม่ได้พายโดยซ้าไปเราลงนั่งเรือเรือก็ไหลไปเรื่อยมันพาไหลไปบางทีก็ไปเจอน้ําวนน้ําเชี่ยว ก็ไหลาตามน้ํำน่ะไม่ไหลตัดกระแสแต่บางทีเวลาเราว่ายน้ําเราแอบเล่นเรืออยู่ในน้ําเนี่ยก็จะมีคนตะโกนบอกเ่าไปทางนั่นไปทางนี่เนี่ยหรือบางทีเขาก็ตะโกนบอกให้เราขึ้นไปนโดนฝั่งแต่เราไม่เข้าใจเราก็ไหลยอย่างนั้นเน่ะชีวิตนี่จึงเหมือนคนลอยคออยู่ในทะเล มีคนตะโกนเรียกให้เราขึ้นฝังเราก็ไม่อยากขึ้นทำเป็นหูถวนลมบางทีถ้าเหมือนไม่ได้ยินในที่สุดเวลามันไหลออกไปสูนในทะเลมาหาสมุทรแล้วเนี่ยมันขึ้นยากออกยากมันกลับเข้ามาไม่ได้อาหารก็ไม่มีกินนะความทุกขกเวทนาก็บีบเราเข้ามาเดด ก, กลาทีน่นี้ไปอยู่ในกลางทะเลเนี่ยมันไม่ได้สงบแบบนั้น มันมีโจระเข้มีคลื่นมีปลาร้ายมีลมมีฝนมีอะไรมากมายมันทุกข์ทรมานมากแพเรือออกไปอยู่กลางทะเลเนี่ยมันทุกข์ทรมานมากเวลาคลื่นมาจะระทีน้ำหือมาโตทับราแทบตายยังไม่ตายก็เป็นบ้าบ้าเพราะความกลัวกลัวคลื่นกลัวร้อ น, ก ล, นกลัวหนาวกลัวขาดอาหารการกิน ไม่รู้จะไปทางไหนแต่เราก็ยังหัวเราะยังร้องไหย้ยังเพลิดเพลินมีความสนุกนะกับความไม่รู้ของเราเองเนี่ยเรือนี่เหมือนกายนี่แหละเรื่องกายนี่เหมือนเรือแต่กายนี่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันเจ็ดอุดมสมบูรณ์อยู่แบบนี้นะวันเวลาผ่านไปมันมีการผุการพัง ต้องเกีดดูบางทีเราเกิดมาเริ่มแก่เริ่มเจ็บมีแก่มีเจ็บมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบีเยนตรงนั้นตรงนี้ร่างกายสังขารเนี่ยคือมันไม่สามารถที่จะอยู่แบบปกติได้น้ำขึงสังสารวัตรน้ํานี่คือสังสารวัต t นะั่นคือความคิดนั่นเอง ควาคิดความอยากของเราแต่ละวันแต่ละวันแต่ละเวลานาทีเนี่ยมันไหลออกมาทีแรกก็ตื้นๆ น, น, น้อยๆแต่ไหลออกมาบ่อยๆก็กลายเป็นน้ํามากไหลเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเราก็ลงทางกลับบ้านฝั่งมันอยู่ที่ไหนไม่รู้นะเมื่อก่อนอยู่แบบใจสบายสบาย อยู่ด้วยความรู้ตัวธรรมดาแต่พอออกไปอยู่กับความคิดมากเข้ามาเข้านี่เมื่อลรตกลงไปในกระแสน้ำวนไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเขามากขึ้นมาขึ้นก็หลงทางออกไปอยู่กลางทะเลนะคือไปอยู่ในความคิดที่มันเป็นอัตตาตัวตนความคิดความอยากซึ่งเป็นตัวมากำหนดชะตาชีวิตของเราเองว่วันวันหนึ่งให้ทาอะไรกับใครที่ไหนยังไง มันเป็นความอยากนะเป็นอารมณ์เป็นตัวยีนคอยกำหนดรูปลักษ์ชีวิตของเราเองกำหนดสีผิวกำหนดหน้าตากำหนดเพศกำหนดอะไรแล้วมันไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยกรรมตัณหาภาวะตัณหาวิปะวะตัณหาอยากในความใคร่ความใคร่แต่แลจะจัก ขณะที่มันเข้ามาทางอยายตนะตาหวัวจมูกนิ้นกายกระทบ ป, ปุป๊บแล้วก็ไหลไปตามความคิดนั่นอีกอันหนึ่งก็คือมันบังคับเราอยู่ข้างในลึกๆในอารมณ์ของเราเองในความรู้สึกว่าเราเป็นเรามีเราอยากเนี่ยอยู่ข้างในเขาเรียกว่ากรำเก่านอกจากความคล้ธรรมดาแล้วเนี่ยยังมีความกำหนักอยู่ข้างในความกำหนัด ความพอใจไม่ ح, พอใจความขหนัดความขัดเคืองมันอยู่ข้างในใจเราความเป็นคลื่นของน้ำนี่คือความฟุ้งซ่านเราเล่นเรือมาในทะเลเจอความฟุ้งซ่านน่นเนี่ยเล่นเรือคือการใช้ชีวิตแหละในสังสารวัตเนี่ยเป็นทุกอย่างไงเราไม่รู้นะเพื่นสูงสูงต่ำต่ ำ, ตำบางทีก็ มาแรงมาแรงก็คิดมากคิดมากจนปวดหัวบางทีก็มาค่อ ย, อยเๆเบาๆนะก็ดูเหมือนทะเลมันสงบบางทีก็มีปลาร้ายโผขึ้นมานี่จอร์คี้คือมีความโลภมีความหลงเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเดี๋ยวมีอันนั้นเกิดเดี๋ยวมีปรากฏน้ำวนนี่คือกามมาคุณ มันวนไปวนมาแล้วเราออกไม่ได้เวลามันเกิดขึ้นเนี่ยจมอยู่ในนั้นกามาคุณห้าก็คือติดอยู่ในรูปวนอยู่ในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในสัมผัสไม่รู้จะไปทั้งไหนที่นี่มีคนตะโกนไว้เราเข้าหาวฟังมาทนันนี้มาทันนี่เลยบอกว่าจะออกไปอย่ออกไปก็คืออย่าไปอยู่กับความคิดนั่นแหละ เขาบอกเราเองว่าอย่าออกไปอยู่กับความคิดอย่าออกไปอยู่กับความปรุงแต่งเราก็ไม่รู้ mm hmm. เขาจะโกนเรียกไงเราก็ไม่สนนะวิ่งเข้าไปเรื่อยๆอ อ, ออกไปเรื่อยๆก็ไกลไปเรื่อยปัจจุบันนี้เป็นผลของความคิดอันนั้นเป็นผลความคิดที่เกิดในอนดีตของเราเองที่เราไปติดความคิดเนี่ยแต่เราวิ่งออกไปไกลเกินแล้วกลับเข้ามาฝังไม่ได้ออกไปเราไม่รู้จะวิธีต่อเรือนะ จะทำเรือทำแพก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีอุปกรณ์ะอยู่ในทะเลแล้วนะคนไหนที่จมอยู่ในความคิดหนักๆแล้วเนี่ยชวนปฏิบัติทำชวรมาสร้างเรือสร้างแพเพื่อข้ามฝั่งเนี่ยเขาจะทำไม่ได้เขาทำไม่ได้เพราะเขาไม่รู้จะเอาอะไรกำลังเอาเวลาเอาความรู้สึกส ม, มาธิอันไหนตอนไหนไปทำทำไม่ได้ ว่ายากมีธุระอันนี้ต้องทํามีงานอันนี้ต้องบริหารเงินคือมันปิดดวงตาเขาเอาไว้จนก็ต้องว่าเขาไม่สามารถที่จะเห็นเส้นทางตามที่ผู้รู้เขาไปชี้ให้มืดไปหมดนะ่ะนั่นแม้ชวนคนมีคนชวนเดินตามทางก็ไม่อยากเดินทางคนชวนขึ้นฟังมันก็ไม่อยากไปหาฟังก็จะจมอยู่กับความรู้สึกตัวเองว่าอยู่ในทะเลนะ อย่มันความนะบางทีก็กลัวกลัวกลัว ม, มันจะโกนเรียกร้องกันน่ะคนอยู่ในทะเลหลายคนคนนี้อยากขึ้นฝั่งก็ไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าห่วงคนนั้นคนนั้นก็ยังจมอยู่วิ่งลงไปด้วยกันกระจมด้วยกันตายเหมือนกันะ่ะแต่ความเข้าใจมันไม่มีความรู้ความเข้าใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันไม่มี สิ่งที่ควรทําเราจึงพยายามไปหา<ม>กัลยาณมิตรเนี่ยไปสอบเองหากัลยาณมิตรให้เขาบอกบอกที่มาที่ไปบอกทางมาทางไปสอนเราให้เกิดความเข้าใจเนี่ยกานที่จะกลับขึ้นสู่ฝั่งกลับยังไงเนี่างคนไปไกลมากกูกล้องร้องตะโกนไปก็ยังไม่ถึงเลย อ, อยู่กับตันหาสูงคนที่กวักเรียกนะกวักมือเรียกเราอยู่มาท่านนี้มาทานนี้บอกเข้ามาได้ฟังคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในท่านจจเรีอยากร้องให้เราขึ้นไปสู่ฟังอยา่าไปอยู่ในความคิดอย่าอยู่ในความทุกข์ข้างนอก เราวิ่งออกไปเนี่ยบางทีเราสนุกสนานเพื่อเพิ่มกับขึ้นกับลมกับนนกับนี่นะแต่เราไม่รู้จักนะอันนี้คือสภาวิจิตที่เป็นนรกเป็นปเปลตเป็นสุรกายเป็นลิลิฉานมันขึ้นขึ้นล ง, ลงเนี่ยแต่เข้าไปสู่ฝั่งก็เป็นนิพพานซะนี่ความไม่ทุกขนะ์นั่นทุกข์นี่เพราะมันวิ่งออกไปไกลถ้ามันปัญหามันก็เยอะโครงการนั่นโครงการนี่มากหมายสารพัน ดันพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายเนี่ยดีไม่แต่ผู้ที่เจ้าคําสอนของท่านเนี่ยท่านเหมือนคนที่อยู่บนฝั่งกวางเรีงเราเข้ามาทางนี้เข้าฝั่งซิทางนั้นอันตรายนะเพราะเราจะรู้สึกสํานึกเนี่ยส่วนมากคนไปหาปฏิบัติธรรมตอนแก่ๆแล้วเรือมันผุมันพังแล้วจะว่ายเข้าลงฝั่งกไปไหนทําไปสักนิดก็โอ๊ยรู้สึกเจ็บขาปวดเอวปวดหลังปวดนู่นปวดนี่ คือเรือมันทะลุแล้วแล้วเราจะเอามาแข่งเหรอมันไม่ได้นะมันไปไม่ถึงฝั่งมันรั่วอยู่แถวๆนั้นแหละ น, น, นั่นสิ่งที่ควรทําในควรหรือที่เราจะวิ่งออกไปไกลชีวิตเนี่ยจะวิ่งไปไหนอ่ะวิ่งไปมันก็เรือรั่ววิ่งไปก็ยิ่งจมวิ่งไปก็วิ่งไปหา ตั้หาทั้งหลายทั้งปวงนะวนไปวนมาอยู่ข้างนอกนะึงไม่ต้องดูคนอื่นนะดูเราวันวันหนึ่งอยู่กับอะไรอยู่กับความคิดอยู่กับความห่วงความเงาอยู่กับความเบื่อถามว่ามองเห็นฝั่งไหมฝั่งอย่าในน้อยฝั่งของรูปนามเนี่ยคือสภาพะที่มันไม่ทุกเนี่ยเห็นมันมไหมอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ย ในเบื้องต้นพอเราเอ่ยถึงฝั่งเนี่ยหมายถึงอารมณ์รูปนามมันสามารถอยู่กับรูปกับนามได้ไหมเรือที่มันรัน่วนี่นอกจากโรคไปไข้เจ็บมันเกิดจากมิจฉาทิฏฐิความเข้าใจผิ ด, ดใจเราก็มาแต่งใหม่ซะทำเรือให้มีสัมมาทิฏฐิทำเครื่องยนต์เปลี่ยนเป็นเครื่องเรือธรรมดา คือถ้าฝึกสติหน่อยเปลี่ยนจากหมุนกันหมุนของตัณหาที่หมุนออกไปนอกฝั่งหมุนไปหมุนไปกามตัณหาภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาเบื่อหนายชีวิตก็จะเป็นแบบนี้ยกามตัณหามีกามแล้วก็เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่มันสะเปลี่ยนเป็นสตินะเอาสติมาใส่เอาสมาธิมาใส่เอาปัญญามาใส่ จากอินพุตก็เป็นเอาพุตซะเปลี่ยนใหม่เคยหมุนไปทางซ้ายนะโค้งหมุนไปทางขวาที่ก่อนเคยหมุนไปทางขวาหมุนไปทางซ้ายนะเราเคยเห็นนะเวลาเขาจุดศพเผาศพนะเวลาเขาไปเวียนรอบเชิงตะกอหรือรอบเมนเนะี่ยเขาจะเวียนไปทางซ้ายมุงหันตัวเองเขาเนาะ มือตัวเองมือซ้ายเนี่ยเขียนซ้ายหันเขาไปทางเม็ดแล้วก็เดินรอบตลอดนี่เขาเรียกว่าเวียนซ้ายแต่ถ้าเวียนเทียนเขาเวียนไปทางขวาแห่นั่นแห่นีน่เทียนที่เป็นมงคลนะับไปทางขวาแต่การเกิดเกลียดเจ็บตายนี่เขาจะหมุนไปทางซ้ายหมุนไปทางซ้ายเราเคยเห็นน็อดนะน็อตเนี่ยเขาจะทำเมืองสมบูร ม, มือขวา ก็หมุนไปทางขวาแต่หมุนไปทางขวาเนี่ยมันจะแน่นเขา้าแน่นเขา้าแน่นเขา้แเขาแล้วมันจะขาดไปเลยชีวิตของคนเกิดมาใหม่มีนจะหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปหากองทุกข์ไปหากองฟืนกองไฟหมุนไปหากิเลสตัณหาหาความแก่ความเจ็บความตายแต่คนก็ยังหมุนเข้าไปอยู่ได้เรื่อย มุนยุทั้งน็อตขาดบางทีเนี่ยแต่ความจริงเขาควรจะหมุนกลับแล้วหมุนกลับเวียนซ้ายแล้วเราเรียกว่าไม่เป็นมงคลคือเวียนขวานี่คือจะเอาเวียนซ้ายนี่คือคลายออกคลายออกคลายออกคลายออกย อ, อกายากให้เรามีให้เป็นแบบนั้นนหะชีวิตเนี่ยคลายออกมาขึ้นไปหาฝังพระสงฆ์องค์เจ้า ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระพุทธเจ้านะทว พ, พุทธเจ้าเคยสอนเคยบอกเคยกล่าวมาท่านปรินิพานท่านตายไปแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงก็ออกมาร้องตะโกนแทนพระพุทธเจ้ า, ม า, ามาทางนี้มาทางนี้เหมือนกันคนในเห็นทางก็ชวนเราออกมาหาเส้นทางนี้ี่ยเส้นทางที่มันไม่มีทกุกเส้นทางที่เที่ย ว, ว่าเป็นเป็นฝั่งไปหาฝั่ง วิ่งขึ้นสู่ฝั่งซิเนี่ยอยู่กับรูกับนามอยู่กับสภาวะไรสมมุติโลกเนอะแต่คนมันก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่ไมีใส่ใจที่จะทาให้ตัวเองรู้เห็นสัจจะสภาวะของชีวิตมันจึงเหมือนกับคนที่ลอยคออยู่กลางทะเลทุกเนะ่ยคนทั้งหลายทั้งพวงไม่น้ำซ้าตาบอดด้วยซ้ำไปไม่จะพายไปทางไหน มันไม่เกิดดวงตาเห็นธรรมไม่เห็นทุกข์าำความเป็นจริงไม่รู้อะไรเป็นอะไรยิ่งพายไปเรื่อยเื่อยเรื่อยเรื่อยเรก็เจอปัญหาเรื่อยเื่ในประเด็นนี้เองที่พุทธยาธิโหมดัดสรุปแล้วท่านไม่อยากสอนคนเพราะว่าคนนี่มันมีความคิดของตัวเองมีอัตตาของตัวเองมีความนึกความอยากเป็นของตัวเองจะชวนให้มันดับทุกข์มันคงยากลาําบาก มีพระราชาองค์หนึ่งคุ้นเคยกับปุโรหิตท่านหนึ่งมากปุโรหิตก็คือที่ปรึกษาในองค์ขบวนตรีลูกจะทำยังไงอยากให้เขามีของดีๆเพราะว่าเขาจะเดินทางก็เลยไปหากล่องม้าอันหนึ่งข้างใน น, น่ะใส่งูพิษให้สี่ตัวแล้วก็สั่งํำชับเข้าไปว่า งูพิษมันออกมาได้เองนะถึงไม่ปิดอยู่ก็าตามแต่มันจะเชื่องอยู่แบบเนี้ยตราบใดที่ท่านไม่มีความโกรธถ้าไม่โกรธเนี่ยงูมันจะไม่ออกมาแต่ถ้าโกรธเมื่อไหร่งูนี่มันมจะเลื้อยออกมาท่านจึงถือกล่องเนี่ยไปเดินทางไปซะยังไงท่านก็จะไปอยู่แล้วก็มอบให้หรือไปสักพักหนึ่งนึกได้ว่ากูจะถือไว้ทําไมอะ่ะถือแล้วมันเกิดกัดกูดกขึ้นมาจะทํำยังไง ก็เลยจะโยนทิ้งเข้าป่าไม่จังถือเนี่ยในขณะที่มีความคิดแบบนี้เนะี่ยมีมือปลาดนะดูมีองครักษ์ที่ตามมาหาคนเอาไว่าจะไปทิ้งทำไมพยายามถือแบบนี้อุ้มแบบนี้รักษาแบบนี้และอย่มีความโกรธแบบนี้ มันไม่กัดหลอกหรือไปเรื่อยๆเขาไม่เชื่อนะไม่เชื่อเอย่ามา ท, ทําทีเป็นมิตรเลยฉันไม่เชื่อหรอกก็ได้โยนเข้าป่าไปแล้วเดินทางต่อไปทีเขาก็ตามจับเนะ่ยห้าคนนี่ตามจับนะว่าทํานี้ไม่ได้จับแไปให้ประราชาดีกว่าหนีกระเสือกระเสิงไป ไปสู่หมู่บ้านในหมู่บ้านนั้นมีบ้านหกหลังคาไปพักบ้านไหนก็มีแต่คนป่วยเขาก็ไม่อยากอยู่เพราะเขาขยะขยงบ้านหลังนี้ก็ป่วยบ้านหลังนั้นก็ป่วยยายไปหลังนู้นก็ป่วยป่วยตลอดเวลาเลยไม่รู้จะทำยังไงขนาดหนีมาแล้วนั้นพระ อ, องค์ครรภตตามไม่เห็นนะแต่พอไปเจอคนป่วย ที่อาศัยรู้สึกว่าใครยากใแย้งไม่อยากอยู่ไม่อยากเห็นเพราะคิดว่าสักวันหนึ่งตัวเองอาจจะติดเชื้อนะก็เลยหนีไปเรื่อยขโมยออกหนีตอนกลางคืนปกติคนเนี่ยมันจะขโมยหนีตอนกลางคืนนะแต่คนนี้รู้สึกว่าเออมันอันตรายนี้กลางคืนนี้กลางวันดีกว่ากลางวันมันสว่างดีมันเห็นดีเห็นทางเห็นไปโนไปนี้ ออกซึ่งซึ่ ง, งหน้าเล ย, เ, ลยเนี่ยเขาจะว่ายังไงก็ตามคนป่วยมีน้ำเหลืองไหลเยอะไม่แต่ดตะโกนร้องอย่าไปเลยท่านไปลําบากอยู่กับเรานี่แหละคนนั้นก็ตะโกนคนนี้ก็ตนะโกนทับ้านหกหลังนะมาอยู่กับเราเธอมีความสุขแนะ่ถ้าไม่อยู่ รู้สึกว่าอันตรายที่นี่ไม่อยากอยู่อ่ะไม่ไหวหนีไปแต่พอหนีออกไปได้สักพักหนึ่งไปเจอแม่น้ำขวางทางน้ำลึกไหลเชี่ยวบางทีก็ น, น้ำนิ่งนิ่งน้ำนิ่งไหลลึกเหมือนไม่มีน้ำแต่ก็มีน้ำมีคนตะโกนมาบอกเว่าทำแพดีทำแ พ, ำแพสร้างเรือสร้างแพแล้วข้ามไปให้ไปไว เขาตัดสินใจเลยสร้างแพรเต็มที่เลยปุ๊บป๊อปุ๊บปอุ๊บให้ไวที่สุดในสุดแพรก็เสร็จนะแพรเขาก็มีไม้มีเชื่อมรัดมัดแล้วก็มีไม้ที่มันไม่เป็นรูนะเป็นเพราะว่าที่มันกลวงพอมันมีความเบามันก็ข้ามได้พอต่อเรือเสร็จเขาก็ข้ามตดลีนะปุ๊บปั๊บข้ามไปก็ปลอดภัย ไปอยู่ฝั่งน้นเห็นคนทั้งเยอะแยะนะ<ม>เห็นมีพระก็มีจีปปะขาวก็มีคารวะญาติโยมเห็นคนรุ่นคนที้อยู่ฝั่งโอ้โอเขามาอยู่ฝั่ง น, นี้กันเหลือคนเลยเขาไปอยู่ของน้นไม่มีอะไรเลยนะมันไม่มีอะไรไม่มีงูพิษไม่มีองค์รักตามจับก็ไม่มีบ้านในคนป่วยนี่ก็ไม่มีน้ำก็ได้แต่มองดู ขึ้นมาจากน้ำแล้วมันแห้งแล้วมันไม่เปียกแล้วจะทุกข์มาจากไหนชีวิตเราเป็นแบบนี้เนะี่ยมันเรื่องที่เรามาเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะตัวเราเองหนึ่งเหมือนกล่องกล่องหนึ่งนี่ชีวิตนี่เหมือนกล่องกลองหนึ่งในกล่องนั้นเขาให้เรามามีคนให้มา พระราชาผู้เป็นใหญ่ของชีวิตเราก็คือพ่อคือแม่ผสมพันธ์กันแล้วก็เกิดเราขึ้นมาเราเป็นมเมล็ดพันธุ์มันเป็นพันธุ์เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นหนึ่งของการปลูกฝังของพ่อของแม่เอา้ามันเป็นธรรมชาติเนาะโยนมเมล็ดอันนี้ลงมามันก็งอกอันนี้โยนมเมล็ดเป็นคนก็งอกเป็นคน ถ้าเมล็ดพันธุ์มันเป็นหมามันก็เป็นหมาเป็นวัวเป็นควายเป็นธรรมชาตินี่คือธรรมชาติอันหนึง่งที่เกิดมาในตัวเราเราเกิดมาเป็นคนเขาให้มาเขาสร้างมาแต่ในตัวคนคนเนี้ยมันมีงูพิษอยู่สี่ตัวคอยกัดเราเนี่ยคือความเป็นไปเนี่ยในชีวิตจําวันเนี่ยแปดสีของเราเนี่มันเป็นพิษไหม คือมันแก่มันเน่ามันเปื่อยตลอดเวลามูพิษสีตัวนึงเหมือนทา่าสี่นี่แหละทิ้งได้ไหมไม่ได้จําเป็นต้องถือกล่องนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเมื่อ ก, กัดเราเรื่อยๆนะยิ่งเจ็บมัน น, น, ม น, นั้นได้ปวดตรงนี้เมื่อยตรงนั้นมีความเกิดมาแล้วก็มีแก่มีเจ็บอยู่อย่างเงี้ยเขาบอกว่าเมื่ อ, อไหรที่เรามีโทสะนี่ยมันจะกัดเราดันดี นั้นคนเรามีความหลงหลงโลภโกรธนะความทุกข์มากๆคือความโกรธเมื่ออารมณ์มันมากขึ้นถึงที่สุดเนี่ยโทสะมันมาทันทีเลยเพราะว่างูเนน้นจะกัดเราทันทีเนะมื่อมีโทสะความโลภนี่เก็บไว้ในใจนะความหลงก็อยู่ข้างในใจแต่โทสะเนี่ยมันแสดงออกมาข้างนอกเลยเนยะ เมื่อกี้พูดถึงเรื่องธาตุสีเนี่ยชีวิตเราเป็นแบบนั้นเลยนะแต่เราไม่รู้วิธีจัดการกับธาตุสีอัเนี้ยไม่รู้จีจะจัดการกับงูพิษอันนี้นะคนเรานี่มันมีอุปทานกับธาตุสีเนี่ยพอใจกับธาตุสีเบื่อนายธาตุสีแต่มันไม่ใช่เรื่องของการเกิดปัญญาเฮ้ยร่มเบื่อหนายแต่ไม่เหนื่อยหน่ยนะเบื่อในายในทุกทําลายมันก็ไม่ได้นะเนี่ย ได้แต่ปล่อยวางทิ้งไม่ได้เพราะมันติดกับเรามากนะรองอันนี้จําเป็นต้องได้ถือไปอบางทีเขาว่ามีคนห้าคนมีองค์กรักห้าคนมาบอกว่าอย่าทิ้งมันเล ย, ย, ท, เลยทิ้งมันเลยถือไปเถอะคือถ้าไม่ทายาไม่นอนไม่นี่ก็ไม่ได้นะยิ่งหนักกว่าเดิมเลยท้อให้ถือไปแต่ถืออย่าถือด้วยโทระถือด้วยโมหะโลภะเนีย่ย อยู่กับกายแต่อย่าไปติดกับกายอยู่กับธาตุสี่นี่แหละแต่อย่าไปหงุดหงิดกับมันมันเป็นโรคภัยใครเจ็บเป็นนั่นเป็นนี่กับจังมันเถอะนี่องค์คาระค่ะคนที่มาตักเตือนมาช่วยเตือนนี่คือคือขันท่าของเราเองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณช่วยเตือนเพราะจริงๆแล้วปัญหามไม่ได้เกิดจากธาตุทั้งหมดหรอก เอาใจมาไว้อยู่กับวันห้าโดยปกติเนี่ยก็ไม่ทุกข์ละถ้าเชื่อฟังขันห้านะก็ไม่ทุกข์แต่ก็ไม่เชื่อฟังคนเนี่ยไม่เชื่อฟังนี้นี้ไปเรื่อยๆนี้ไปไหนคนเราก็ไม่อยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่วิ่งมาอยู่กับตาไม่อยู่กับหูวันหนึ่งๆอยู่กับแค่นั้นเองเนี่ย แต่ตาก็เสื่อมนะตาก็เป็นขงไม่เที่ยงโรกไปเคยเจ็บเยอะแยะอาศัยหูหลบมาอยู่บ้านหูก็ไม่เที่ยงมาอยู่กับจมูกก็ไม่เที่ยงเล่นกายเนี่ยไม่เที่ยงสักนั้นความคิดเนี่ยไม่เที่ยงเขาเปรียบเหมือนว่าเราวิ่งไปในบ้านไปแล้วไปเจอบ้านหกหลังแต่บ้านนั้นมีแต่ความสปกปรกฮะมีแต่ความสปกปรก ตาโกสุกปกหูโกสุกโกปกสุกปกเพราะ อ, อันนี้จังไม่เทียมมันเป็นทุกข์มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราต้องแลกกับการอยู่ร่างกายสังขารเนี่ยอย่างอยู่กับตาตาก็ต้องล้างตาล้างหน้าหูก็ต้องล้างหูจมูกลิ้นกายใจล้างตลอดเวลาต้องแปลงฟันต้องล้างหน้าต้องอาบน้ําต้องโดนตุนิ ลำคาญอยู่บ้านสปกปรกเนี่ยแล้วก็เหนื่อยหน่ายมันมันไม่มีอะไรอันความสวยความงามเป็นความหลงของเราเองจริงจริงบ้านหลังนี้เสื่อมเลยตลอดเวลารักษาดีขนาดไหนก็ตามอยู่ไปนะ่นจะเสื่อมเสื่อมเสื่อมแค่เราเห็นร่างกายเราเป็นอสุภะอยู่ตลอดเวลานี่นนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออินกระดูกท้าหัวจมูกเล่นกายใจทุกส่สวน มันเหมือนเรือเรือที่อยู่กลางทะเลแล้วกําลังจะพังมันกําลังจะผุกําลังจะพังโรคไปค่อยเจ็บลุมเร้าเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เราก็ไม่คิดจะหนีจากมัน่ะยังชอบมันอยู่ยังรักมันอยู่คนฉลาดเขาหนีหนีจากบ้านหลังเนี้หนีไปอยู่ให้ไกลผู้ปฏิบัติธรรมก็จะเหมือนๆกันนะ่ะถ้าเขาฉลาดเขาก็หนีนะ ถ้าไม่ฉลาดก็ติดอยู่ในบ้านหกหลังนั่นแหละหนีไปในนี้โน่นไปให้ไกลเี่เะาวาปฏิบัติทำเราหนีนะเนี่ยแยกจากบ้านไม่ยินดียินร้ยนรายกับรูปรสกลิ่นเสียงที่ตามชอบงูงชอบจมูกชอบรูปรสกลิ่นเสียงที่เกิดขึ้นถึงตาหูจมูกเล่นกายใจเราปล่อยระวางปล่อยตาแล้วตอนนี้แทนที่จะพาไปดูนะดยไม่ดู หูฟังสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นมรรคเป็นผลเนี่ยเราวางโยมสร้างเจ้าวะดังๆนี่ออกไปทําข้างนอกไปไปทําอยู่คนเดียวในป่าน่นแะนี่มันหลายคนเราทําอยู่กับคนหลายๆคนเราต้องมีมารา ย, ยาท ต, ต้องรู้จักว่าคนเขาชอบไหมชอบฟังเสียงอะไรแบบไหนยังไง เราอยู่คนเดียวขุดรูอยู่นั่นถ้าอยู่กับคนเนี่ยมันต้องมีมารยาทต้องมีวัฒนธรรมไม่ใช่เราทําแบบไม่ทุกคนเดียวกแล้วแต่จะลุยแต่จะทําไปนะไม่ใช่นะอยู่กับคนหลายคนเหมือนเรากินอาหารนี่แหละเรากินคนเดียวเราแล้วไม่ทุกอะไรแล้วจะกินเสียงดังไม่ดังมาเกี่ยวกับใครนะ่ะชนกระทบอะไรเนี่ยแต่ถ้าเราอยู่สังคมนี่เป็นสัจจริยธรรมมาเนี่ยต้องมีอะไรเหมาะไม่เหมาะ ธรรมะสำหรับนักปฏิบัติธรรมเพื่้อรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้จักกาละรู้จักเทสะชุมชนบุคคลไยสัพพิสจะรมธรรมะสำหรับนักปฏิบัติธรรมที่เราทำเนให้เหลือแต่ลมหายใจเนี่ยมันหายใจเขา้าหายใจออกดูแค่นี้ไม่มีเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงลมหายใจของคนฝึกมากๆจนกระทั่งว่าได้ยินแต่เสียง ของความคิดเนะี่ยจะไม่ได้ยินเสียงของความอยากมันคิดอย่างเดียวเนะี่ยแต่ไม่มีสภาวะตอบสนองเสียงของสมาธิเนี่ยฟังเสียงสมาธิมันเป็นอย่างหนึ่งต่อไปมันจะดูเสียงใจของเราฟังเสียงของความคิดเนะี่ยบงคนคิดดังคิดแล้วปเป็นเรื่องเป็นราวนั่นเองแต่มนุษคิดไม่ดังคิดแล้วก็ดับคิดแล้วก็ดับ ถ้าดับได้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยมันจะมีเป็นกลายเป็นเครื่องมือในการข้ามสังสารวัตได้สร้างแพสร้างต่อเรือแลที่ต่อเรือก็ทำโครงกระดูกมันก่อนกระดูกงูนะถ้าเปเรเดินสมุดนะแต่ถ้าวันนอกเราก็ไม่ท้องไรคนที่พูดในนิทานเนี่ย คือตัวเราเองนะคนทุกคนพูดถึงชีวิตคนชีวิตนะชีวิตมันเป็นแบบนี้มันลอยคอมานี่ๆถูกไล่มานีเลหลๆจนั้งจนมุมนะแบหบนีความทุกข์กับเวทนาทุกกายทุกใจวิ่งมามาถึงมูดฝั่งนะไม่เห็นน้ำโอ้ไปไม่ได้ต่อแพรต่อแพรต้องมีวิสวรณะ มีสสารมีคัวแมนมีควบคุมดูแลการจัดการพอต่อเรือเพื่อจะข้ามฝั่งแพนี่คือคําสอนพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากจะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายพ้นจะอุปทานขันเนี่ยเราก็เอาคําสอนพระพุทธเจ้ามาถักทอซะสติเอามาหาดูนี่ในตัวเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอ่ เขาะมันมีอยู่แล้วมันช่ไม่มีนะฝึกสติเพราะพัฒนาสติให้มันกลกายเป็นสมาธินี่มามัดมาต่อกันเป็นปัญญาถ้าไม่เป็นผืนเดียวกันนะแล้วจะขี่แพร่เนี่ยข้ามไปโ น, น่นแพรเราต้องเป็นแพรที่มันเร็วเลยไนดะ้ไม่ใช่ตื้นๆนะจา้จาๆเลื่มตาขึ้นยมอย่ามานั่งหลับตา เอาความห่ว ง, ง, ค, ว ง, งความเหงาความเบื่อความไหนเนี่ยออกให้เป็นหนีนมันไปเลยจะมาจมอยู่มันทําไมอยฟังเนี่ยเห็นไหมมีแต่ความห่วงความเหงากัดตากันหูกั น, กกนอะไรอย่างเงี้ยนี้จากธาตุสีจะไม่อยู่กับขันห้าเหรอขันห้าก็เป็นแบบนี้แหละมันเหมือนไม่ทุกข์เลยแต่มันก็ทุกข์รูปก็เป็นสภาวะ ที่เป็นอนิจจังเวทนาสัญญาสังขารเป็นอนิจจังเวนตตานี้จากขนาันธหน้าแล้วไม่อยู่ไม่อยู่กับตาหูจมูกดิ้นกายใจแนละืออารมณ์หกเหรออารมณ์หกมันก็ไม่เที่ยงนะมันมีแต่โรคาพยาธินะมีแต่ความเสื่อมเหมือนกันนะ้องทิ้งเลยทิ้งบ้านทั้งหกหลังเนี่ไม่ต้องหลีดไหลไปตามมันอนะ่ะคนชอบมาเช่า อ, อยู่บ้านใจอย่าไปเช่ามันอย่าไปอยู่กับมัน มันอาจจะไม่คิดห่าราคานี่ที่เราอยู่เนี่ยเรามาอาศัยอยู่เขาไม่ได้คิดอะไรแต่ค่าเช่าก็คือต้องทำงานให้มันตามันชอบอะไรต้องท ำ, ทำงานหาเลี้ยงชีพไปโอ้นหมันชอบอะไรเราต้องแรกทั้งชีวิตนีนเพื่อหูทำเพื่อจมูกเพื่อลิ้นเพื่อกายเนี่ยตาเนี่ยมันสลึมสลือ ม, มันบวกกับใจด้วยชอบจังอะหลับเอาห ล, ลับเอาตรงนี้ดิอยู่คงไม่เที่ยง ทำแพรข้ามฟังเอาคำสอนของพระยามาถักมาทอจากท่ว่าสีเลนะสีลังอภรนังเศษถังสี น, นี่ยถ้าเรามีดีๆเป็นอภรธรรมะสีเลนะสุขติยญาติเป็นนำไปสู่พะนิพานสีเลนะโภคสัมปทาถ้ามีสีนในการบริโภคการอะไรเนี่ยไม่มีผิดเพียเพ้ยนไม่ได้รับทุกขเวทนา ก็มีศีลบริโภคอาหาเห็นไม่เวลามาปฏิบัติธรรมวัฒนธรรมการกินเนี่ยเขาจะให้คนมีศีล ร, รับก่อนบวชก่อนรับก่อนเข้ามาปฏิบัติธรรมก่อนแถวหน้ารับก่อนอะไรพวกนี้เขาเอาคนที่ฝึกแล้วเนะี่ะไปบริโภคปัจจัยนี่จะบริโภคแบบมีสตินะแต่คนที่ยังไม่ฝึกฝนอย่างชาวบ้านเราเนี่ยเข้ามาเขาไม่กินก่อนคนปฏิบัติธรรมนะ เขาปล่อยคนกับปฏิบัติทำกินก่อนเพราะยังไงยังไงก็จะได้บุญกุศลบุญกุศลคือเขาเห็นคนมีสติกินเนี่ยเขาภูมิใจคนมีสมาธิบริโภคเขาดีใจว่าเขาทําเป็นไนยแต่ได้ให้ลูกให้หลานเขาไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่ได้ฝึกด้วยฝนกินเนมันมมหมามันตะกะตะกรรมมันเดาน้อยเอามากมันไมไ่คิดถึงทกุกขเวทนาคือคนไม่มีปัญญาเฝ้าดูชีวิตตัวเอง เมื่อเราไปบริโภคไปสัมผัสไปอุปโภคอะไรนี่จ้าเนี่ยเสียหายหมดอะ่ะเดี๋ยวนี้คนในสังคมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีสติทีม่มีสติเมื่อเราบริโภคอุปโภค ว, วัตถุสิ่งของเนี่ยมันจึงหมดเอาหมดเอาแทบไม่มีเนี่ยสูญหายใช้ใจ่ายอย่างสุรุย่ยสุล่ายในภาพรวมนะโลกทั้งใบเนี่ยกำลังเสื่อมสลายเพราะคนขาดสตินี่แหละ คนมันขาดสติสติล้โมบบริโภควัตถุดิบในโลกนี้แล้วก็เสือเส่อมลงสุมลงกลายเป็นโลกร้อนทุกวันโลกร้อนนะมันจะไม่ร้อนได้ยังไงใช้จ่ายมากดูดออกมากนี่ใช้จ่ายทุกอย่างนะมันกินแล้วมันต้องมีขี้เนะี่ยวัตถุดิบทั้งหลายก็ถึงเหมือนกันนะ เ, าาาเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยพลังงานก็เกิด ความเสื่อมความสลายมันต้องมีการถ่ายที่พลังงา น, นคือคนทุกคนหนี่งเามีความรู้สึกตั้งสมมติฐานเลยว่าอย่างนักวิทยาศาสตร์เนี่ยวัตถุทุกอย่างเนี่ยมันมีพลังงานในตัวมันอันนี้ก็มีพลังงานในตัวมันนี่ก็มีพลังงานในตัวคนนี้ก็มีพลังงานในตัวเพียงแต่ว่าทำไงจึงจะค้นพบพลังงานในนั้น หรือทําให้มันเคลื่อนที่ได้อย่างเขาทำพลูโตเนียมยูเรเดียมให้มันเคลื่อนที่เนี่ยเอาไปขับเรือก็ได้พลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ได้ทําให้มันเคลื่อนตัวพลังงานศักที่มันอยู่ในนั้นน่ะให้มันเคลื่อนที่นันเป็นพลังงานจนพลังงานกลดกันมาคือคนค้นหานั่น ทฤษฎีนี่คล้ายๆกับการมาหาพลังงานของจิตเวลามันมีสมาธิมันคล้ายๆนะแต่มันเอามาอธิบายไม่ได้คือพุทธ ศ, ศ, ศาสนานี่เหมือนวิทยศาศาสตร์นั่นแต่มันไม่เหมือนเราก็มาหาพลังนะฮะศักยภาพของเรามาทําให้มันรวมกันความปกตินี่ปกติความเฉยเฉยความรู้ตัวความเพียรพยายามในการปล่อยการวางการอะไรต่างตนี่ พยายามาพัฒนาเอาคำสอนพุทธิจ้ามาเติมใส่มันเต็มสติคืออะไรสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นไงเอามารวมกันให้เป็นหนึ่งพอเป็นหนึ่งปุ๊บมันก็เกิดการเปลี่ยนการหมุนจิตเนี่ยเขาเกิดการหมุนตัวนะนดูในหนังจีนไหมที่แล้มันดูในห้องรับเขาหมุนกรุ๊มันจะเปิดอ้าออกทีเนี่ห้องรับเขาเนะ่ยภาษาพระเนี่ยตรงภาวะแบบนี้เขาเรียก ว, ว่าจุดตูปปาตยาน จุตุปาตยานจุตุปาตยานหมายถึงสภาวะจิตที่มันเคลื่อนภาษานั้นเล ย, เยว่าจุติแปลว่าตายแต่เรามาแปลใหม่ว่าจุติแปลว่าเกิดศับเดิมแปลว่าตายจุติบอกอุปทะนีจ่จุตุปาตยานจุตุปาจุติแปลว่าตาย อุปาถ้าอุปทิไปว่าเกิดเห็นการดับไปของอวิชชาเห็นการเคลื่อนจิตมันเคลื่อนออกจากอาวิชชาที่มันเคยติดเนี่ยอันนี้มันยากมากนะเนี่ยยาณ น, น, นี่เป็นญาณที่สองของผู้ปฏิบัติทำมมันเหมือนกับการเคลื่อนตัวของพลังงานปรมาณูที่แรกธาตุอันหนึ่งที่มันเกิดค้นพบทฤษฎีการเคลื่อนอนะเนี่ยอันนี้เป็นมโูลานเลยเนี่ยภาษาพระเขาเรียกว่า เหมือนกับจะถูกปฏิญานเหมือนกันตัดสู้เนี่ยต้องเห็นเมืน่นน่ะดินนี่ เ, เราเห็นแต่ความคิดมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาตื้นต้นเราเหมือนใช้พลังงานตื้นตื้นในโลกเนี่ยเอานี้มาทํามานั่นเอานั้นมาบวกอันนี้อันนี้มาต่ออันนั้นแต่ก่อนเป็นนี้ก็มันทําให้มันเป็นเหล็กที่มันยืดได้หดได้แล้วมาต่อนี่เอาไปผสมนั่นผสมนี่นก็เป็นเนี่ยพลังงานไม่ใช่เพียวบริสุทธิ์เหมือนทองคำํำทองคำเนี่เอาไปผสมอะไรไม่ค่อยเป็นนี เป็นทองเค24กรับเป็นทองแท้นะอันนี้คือเหมือนกันเราหาธาตุแท้ของสัจจะสภาวะอันนั้นให้มันเห็นธาตุแท้ของมันไอสิ่งที่มันไปห่อหุ้มอยู่ทั้งหมดนะทําไงในธาตุตัว น, นี้มันจะเกิดการเคลื่อนที่ออกจากอันนั้นเกลือเคลือคล่อนที่ออกจากกิเลสตัณหาเคลื่อนที่ออกจากความไม่รู้จุติอุปัฏะ ในตำราเขาไปแปลว่ารู้จากที่จุติและอุบัติของสัตว์คือคนแปลนี่คือคนไม่เห็นอาการคนไม่รู้นะแล้วไปเดาเอาตามภาษาหนังสือนี่แหละพุทธศาสนาในประเทศไทยมันเป็นบบนี้เห็นสัตว์มันเคยเกิดเป็นอะไรเคยอยู่ไหนชาติที่แล้วเป็นอะไรยังไงเห็นที่จุดเห็นตัวเองเกิดเป็นอะไรคนอื่นเกิดเป็นอะไรเนี่ยมันแปลไปทั่วอะไรอ่ะ นั่นถึงแม้เราจะศึกษาสัจธรรมแต่คนที่เขียนสัจธรรมดันเป็นคนที่ไม่รู้สัจธรรมแล้วเราจะรู้ถูกเหรอว่ามันใช่ดังนั้นเวลาเราพูดพ่ระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าที่ไหนตายไปแล้วตั้งสี่ร้อยปีตื่นมาเขียนตำราใครไปจํามาได้มันมีอย่างเดียวคือต้องปฏิบัติให้มันถึงให้มันเป็นให้มันเห็นแล้วมาคุยกันมาบอกแต่ถ้าเอามาทำอัไ น, น, นมาบอกกับคนโง่ คนที่ไม่รู้คนที่มีราคะบอร์ดก็จะแปลเป็นราคะมีโทสะเวลาบอกก็เป็นแบบโทสะมีโมหะบอ้องก็บมีโทสะเหมือนคนต่างคนต่างมีอุปทานคนนี้เรียนสถาปนิกมาคนนี้เรียนมิจฉาสตรว่าคนนี้เป็นหมอเป็นพยาบาลไปดูวัตถุสิ่งหนึ่งเนี่ยมุมมองเขาจะออกไปจากสิ่งที่เขาเป็นเป็น น, นักกายภาพไม่เห็นเราสร้างจังหวะเขาจะว่าเราออกกําลังกายถ้านักกรรมฐานมาก็เป็นแบบนึง ถ้าเด็กมาเห็นเราก็เป็นอีกแบบหนึง่งคนหนึ่งมาเห็นว่าเราบ้ายกมือยกไปยกมาพวกบ้าต้น ท, ทางเคไปเยี่ยมโรงพยาบาลบ้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงจิตเวศ ท, ที่พวกคนบ้ามันนั่งอยู่บางคนมันก็บ้าแบบเหมือนเป็นหมอนะเขามีหูฟังมาเสียบให้แล้วว่ากระทาหน้าที่เป็นหมอไปหาจ้ำคนนั้นหายจ้ำคนนี้ไปเรื่องฟังนั่นฟางนี้น บางคนก็ บ, บ้าเป็นพระนะสวดมนต์อาลาฮังอยู่ตลอดเวลาตามถนนนะบางคนก็ทําวัดสวดมนต์เป็นกลุ่มส่วนมากจะเป็นพวกเม่ขาวไม่ออกเมฆขาวสวดมนต์ดวงตาไปกําเนนฟังนั้นมันจะเป็นแนวว่าพวกเราทั้งหลายมาดูคนบ้าเรื่องเหลืองมันมาแล้วสองตัวเขาว่าเราเป็นบ้า เรานึกว่าเราไปดูคนบ้านะเนี่ยเขาไม่ได้วิพว่าเขาเป็นบ้านนะท่านต่ง้งหลายนึกว่าตัวเองเป็นคนดีเลยครคนเมาเหล้าไม่รู้จากตัวเองเมาเหล้าหรอกกูมไม่เมากูมไม่มาหามกูมไปตีกับมันหน่อยดิเนี่ยเอามาอีกเอามาอีกกูมไม่เมามันเจนรู้สึกว่ามันไม่ได้เมา คนเมาอยู่กับกิเลสตหามันจะว่าหรือมันมีกิเลสตหามันไม่ว่ามันว่าโอ๊ยงานเยอะยุ่งมากต้องไปทำโน่นทำนี่เห็นไหมมันจะว่ามันเป็นกิเลสแล้วมันไม่ได้คิดว่าเป็นกิเลสนะเวลามันทำผิดมันจะคิดว่ามันทำผิดเลิกมันทำถูกมันคิดว่ามันทำถูกแล้วมันไม่รู้ไงก็คือคนตาบอดนั่นเองอ่ะตาบอดมันมองภาพอันดึงเป็นแบบมันดึงเมื่อคนไม่รู้สัจธรรมเนี่ย เอาสัจะรรมมาว่าไอ้ลึกมาเป็นตื้นตื้นเป็นลึกถูกเป็นผิดผิดใครเป็นถูกเนี่ยมันจะยากนั่นมันต้องเห็นนะต้องเห็นต้องสัมผัสเพราะต้องเกิดญาณทนะัศนาธรรมะเนี้ยญาณทัศนาคือการประจักษ์แจ้งนี่แหละเป็นสัมมาญาณถ้าเป็นสัมมาญาณก็จะเป็นสัมมาวิมุตติคือความรู้อย่างถูกต้องเนี่ย บางทีเรารู้นั้นรู้นี่นะแต่เป็นรู้ด้วยอุปทาน น, น่ากลัวนะคนยังรู้ด้วยอุปทานเนี่ยยากมันมีปัญหาเวลาปล่อยไปเขาก็จะหลงทางไปเรื่อยนั่นก็ช่วยไม่หลงทางขอให้ความรู้เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ขอให้มันเข้าถึงธาตุที่มันเปียวๆที่บริสุทธิ์จริงๆเนี่ยแล้วมันจะทาหน้าที่ของมันเองโดยธรรมชาติ เหมือนอย่างที่ว่านั่นแหละทำไมไม่จึงเห็นการเคลื่อนตัวของแร่ธาตุที่ยิ่งใหญ่มากๆในจิตเราเนี่ยเป็นยูเรเนียมเนี่ย ม, มันแผงลิดเนี่ะจริงๆถ้ามันอยู่คนเดียวมันไม่เป็นอะไรนะนเล็กๆเท่ามะนาวนี่ขับเรือดำน้ําได้แต่ล ม, มันแตกตัวเนี่ยเพราะผลเป็นตามทฤษฎีเขาว่าทฤษฎีสัมพันธภาพนะจิตเราก็เหมือนกันน่ะทําให้มันเห็นเป็นภาวะแบบนั้น จิตมันก็จะเกิดการตื่นตัวเกิดมีพลังมีความทะลุมิติความมีความสามารถแหละที่เราเห็นว่าโอ้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แล้วแผ่นดินนะแผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้ในแปดสภาวะแผ่นดินไหวเนี่ย 1... นึน่ลมกำเริบลมฟ้ากำเริบ ขั้นเคลื่อนตัวของโลกนี่แล้วมีอยู่ในนั้นคือพระโพธิสัตว์จุติพระโพธิสัตว์ตัตสรู้เนี่ยแต่คําว่าแผ่นดินไหวอันนั้นมันไม่ใช่ไหวแบบแผ่นดินนะนี่แผ่นดินไหวคือแตงตื่นนะนี่จิตเราก็ตื่นเพราะมันตื่นตื่นเต็มที่คือจังหวะนั้นนะตื่นจากความง่วงมันธรรมดานเนี่ยนี่ขาไม่ดีว่าจะไปเปลี่ยนขาเทียมอยู่ แต่ก็ น, นึกว่มามันคงได้ประโยชน์อย่างเดียวเพียยุงไม่กัดอย่างเดียวแต่ยังอื่นคงใช้ประโยชน์ดได้น้อยแต่เราได้ขามาขานี่ขายืดหยุ่นนะเนี่ยขายังขาตุกาตาเคลื่อนไหวได้แต่โรคภัยไข้เจ็บมันก็เยอะนะโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะเวลามองมองดูขาตัวเองก็เกิดขำนะมองดูขาดูนิ้วมือดูอะไรประมาณนี้เขาสร้างมาแบบนี้เนาะยัง มันสนุกยิ่งกว่าดูละครน่ะสังขารมันทํางานอคนได้ขาดีมาตาดีหูดีจมูกดีร่างกายใจดีเ้อามาใช้ประโยชน์อะไรมนันบางทีมีอตตาอต่างหากมีหน้าที่ทำนี้โน้นทนํานี้พอจะใช้ให้ทํานั่นทํานี้โอ้ยมันมีศักดิ์ศรีนะดูมันแล้วมันมีศักดิ์ศรีเราต้องอ้างนั่นอ้างนี่กว่าจะทําได้พวกน่ากลัวแม้แต่ข่ํา มันมีสักสีอ่ะทำอะไรก็มีสักสีมันมีสักสีก็คืออัตตาหนาแหละสัเหมือนสักกยภาพกนะันพลังงานสั์พลังงานจนอยู่ในตัวเราเนี่ยมันติดอยู่ในไอ้ น, นี่มันรอภาวะที่มันจะออกมาเหมือนนกนิทานอีกเรื่องหนึ่งนะว่าชีวิตของคนเป็นภาพแบบนี้อีกนันนึงเนี่ยคือคนเราเนี่ยเกิดมาวิ่งหนีอะไรก็ไม่รู้นะ เกิดมาก็ทำความผิดความผิดคือมิจฉาทิฐินี่ยแหละลงรูปลงนามนึงคนเกิดมาในสักพักหนึ่งจะทำความผิดเมื่อทีแรกยังไม่มีความผิดความถูกไม่รู้ว่าอะไรถูกไม่รู้อะไรผิดเด็กๆนี่เขาไม่รู้นะอะไรถูกอะไรผิดธรรมดาแต่ผู้ใหญ่ในรู้อะไรถูกอะไรผิดแต่ก็ชอบทำผิดพอทำผิดแล้วคนก็จะไล่ตามจับทำผิดก็คือเป็นทุกข์ไง ทุกทุกมันตามไล่ขยี้เราตามล่าเราเรื่อยเรื่อยเรยแต่เราก็ไม่รู้มันเป็นทุกข์เอาไม่ชีตัวหนึ่งไปไหนนนียไม่กินเหรอผมไม่กินไปตามมาไปไม่กินก็นได้แต่อย่าขี้เกียจมาบางคนเขาห้ยเคร่งหลายคนนี่มันจะเคร่งนะขี้เกียจบางคนไม่กินข้าวตอนเช้าแต่ตามไปดูเห็นนอนหลับอยู่ดี เวลาลงตะไม่ไมากินข้าวเดี๋ยวลงตะเปรียบเทียบเราต้องได้ประโยชน์มากกว่านะที่ไม่มาไม่หลายคนเนี่เดี๋ยวนี้รีวิ่งหนีนะเนี่ยเดี๋ยวนี้วิ่งหนีเข้ามาอยู่ในแคมป์พลูสีเ น, นี่ยพลูสีก็สอนวิชาให้จะออกไปข้างนอกแต่คนทั้งหลายมันไม่ได้ปานนั้นนะวิ่งหนีวิ่งห น, วงนีวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเจ้าหน้าที่เขาไล่จับเจ้าหน้าที่ก็คืออันนี้แล้วชีวิต oh. ยังไม่ผิด คือไม่ใช่ทําผิดด้วยมิจฉาทิฏฐิก็คือเข้าใจผิดในความเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้มันแก่เจ็บตายเนี่ยมันตามไล่จับเราเราก็พยายามหนีตลอดเปิดเปลืงหนีจากความแก่ความเจ็บความตายหนีจากความรักความชังความกลุกความเกลียดแต่นี้ไปไม่มีที่ไปอ่ะสิ้นสุดโลกนี่อยู่ตรงไหนอ่ะสิ้นสุดโลกนี่เขาไปเจอใป็นสาววันเส้นเดียวห้อยต้องแตง็งอยู่เทวันนั้น ดันเป็นเถาวันที่มันยืดลงไปในสระน้ำเราแต่ไม่รู้จักไปทางไหนชีวิตเนี่ยเอาไปในสระน้ําก็ไปเถอะมันยืดลงไปก็ตามลงไปห้อยปีนลงไปคือจะหลบหนีมันเองน่ะหลบหนีมันสังเกตไหมจิตเราวันวันหนึ่งเนี่ยมันวิ่งหนีความทุกข์เรามันไปหลบอยู่ตรงไหนไปหลบอยู่ในความห่วงนะหลบอยู่ในความจมลงไปลึกๆเนาะเน่ะแล้วคุณจะปีนขึ้นมาอีกลําบากมาก ปีนลงไปได้สักครึ่งหนึ่งบ่อหน้าันก็ลึกเกินแต่พอมองลงไปขนาท mm ี hmm. Finally, summer, hair, pot, ่โหนเถาวันอยู่เนี uk> uk ่ยมองลงไปกลับไปเห็นงูงูในก้นบ่อเนี่ยมีอยู่ตั้งสามสิบสองตัวนุ่นน่ะตายตายตายกูกูกูจะปีนขึ้นก็ไม่ได้จะลงไปข้างล่างก็ไม่เป็นน่ะไม่รู้จะไปยังไงงูมันเยอะเกินน่ะก็เลยมองขึ้นไปข้างบน รีบขึ้นไปดีกว่าว่าจับเถาวันเดิมปีนขึ้นไปด้านเห็นหนูสองตัวกําลังกัดเถาวันที่ปีนลงมานั่นอีกเฮ้ยเฮตายตกูตายแน่แหนูน่ะมีสองตัวสีขาวกับสีดํามันกัดกัดเถาวันนั่นตกลงไปนี่งูนี่ก็จะกัดกูตายขึ้นไปนี่หนูกําลังกัดปีนแรงก็ไม่ได้จำยังไงเนี่ยขึ้นจากบ่อขึ้นไม่ได้ชีวิตเป็นแบบนั้นเลยนะ ทีนี้ก็เหมือนทอดอะไรตายอยากชีวิตเนี่ยทำไงเนอะไม่รู้ว่ายังไงมองเห็นมันมีรังมิมรังมิมเพิ่งน้อยนะว่าดึงมากมากขึ้นดึงมากๆเข้า่าวนเนี่ยน้ำมันก็ย้อยลงมาเนะ่ะก็เลยอ้าปากเรียกินไปวันวัน้อยน้อยลืม ลืมที่งูข้างล่างลืมที่หนูกําลังกัดเถาวันแล้วก็ไม่รู้ตัวเองน้ําหนักอะไรอยู่ตัวนี้เมื่อยก็เมื่อยประมาณนแต่ก็เพลินไปกับการกินน้ําผึ้งแต่ละหยดแต่ลหยดไปทีละน้อยแต่ละน้อยแต่ละน้อยหันนี่มูลพวกบ้าฮันนี่มูลมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะชีวิตเนี่ยเถาวันคืออะไรเชีวิตเนี่ยเสาควรคือเวทนานะที่มันสืบต่อชีวิตแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยชีวิตเราห้อยอยู่กับเวทนา เกิดมาที่แรกก็ธรรมดาธรรมดาแต่สักพักหนึ่งเราต้อวิ่งหนีเพราะเราอยู่กับอันนี้จังทุกขังอนาัตตานั้นหลบจากอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ไม่ห้อยอยู่กับเวทนาเ <cion ic ib ian> วทนาคือสุขบ้างทุกบ้างสุขบ้างทุกบ้า ง, าง <S <S ไปเรื่อยๆเกาะ อ, อันนี้ก็พยายามหาอน่นมาให้มันสุขอันนี้มันทุกข์แต่ในอันนี้จังทุกขังอนัตตานี้มันพร้อมที่จะหล่นลงไปอยู่ข้างล่างโน่นอะหล่นลงไปเมื่อไหร่เจ็บตัวมันนั้นน่ะ นั่นคนอยู่พยายามเกาะอยู่กับความสุขนตือนว่าก็วิ่งหาความสุขสุกกับลูกรถกินเสียงลูก ร, รถกินเสียงสัมผาาัสลมลาบยสดสนเสริมมาเนี่ยเกาะมันไว้เกาะมันไว้กไว้นะเทาวันนี่มันพันกันนะมันพันกันคือมีหลายเรื่องในตัวแต่ก็ห้อยไว้ในนั่นนะ่ะแต่มันล่วงล่วงลวงไปนี่จะเป็นงูงูข้างล่างนะงูพิษกัดคือเจ็บปวดมากงูพิษกัดมันวิ่งปุ๊ไปแล้วก็คือตายนะ แต่คนก็ไม่เฉลียวใจที่จะหนีเนี่ยนะมันลงไปในบอ่อแล้วทุกคนต้องลงไปในบอ่อนนี่บ่อก็คือสังสารวัตรนะต้องตกลงไปในบอ่อในสังสารวัตรเ้ยขึ้นไม่ได้อะลงไปแล้วก็ติดอยู่ในนี้ที่นี่มีหนูดําหนูขาวกัดหนูดำหนูขาวคือกรรมดีกรรมชั่วแล้วทำแต่ละวันเนี่ยเราหนีไปทําไม่ดีก็ชั่วทําดีก็ชั่วหรือมีกลางวันกลางคืนบันทีก็มืกมดก็สว่าง หมุนไปเรื่อยๆสู่สังสารวัตนะสิ่งที่ทํามีกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรติดกรรมชั่วกรติดติดไปติดมาก็ต้องสนองกรรมเนี่ยทุกวันทุกวันเหมือนชดใช้กรรมที่ตัวเองทําเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าทํายังไงจริงๆอยู่เหนือกรรมเป็นแล้วก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็เลยจมอยู่เนี่ยสิ่งที่ทําไปทุกวันทุกวันเกาะไปเกาะในเวทนาไปทุกวันสังเกตไหมแต่ก่อนอันนี้เคยอร่อยจะเริ่ไม่อร่อยแล้วนะ คนนี้เคยรักจะเริ่มชังแล้วนะอันนี้เคยโกรธจะเริ่มเกลียดแล้วนะเคยร่ารวยขนานดะนี้อยากร่ารวยมากขึ้นเห็นไหมเนี่ยเวทนามาเริ่มจะขาดลงขาดลงขาดลงแล้วนะ่ะแข่งขาร่างกายสังขารนี่ตอก่อนเคยได้เคยมีเคยเป็นทํางานนั่นคืดีพอใจไหม่พอใจเนี่ยมันน้อยอมันมีความเพลิดเพลินกับเนี่ยแต่จริงๆความทุกข์เริ่มบีบขันเรามากขึ้นมากขึ้น เราเริ่มเฉยกับหลายๆอันเริ่มไม่พอใจเริ่มโศงหาอันใหม่ละความสัมพันธ์กับคนคนนี้วัตถุสิ่งนี้ของอันเนี้ยเริ่มจะขาดละเดี๋ยวเนี้ยเป็นไม่ทํางานสักฟังหนึ่งลาออกเนี่ยกูเบื่อว่ะที่นี่เงินน้อยกูเบือ่อกูไม่ชอบคนคนนี้เมื่อก่อนมันก็ดีกับกูทํางานตอนนี้ก็ได้เบื่อไม่กระทั่งพ่อไก็ทั้งแม่เบื่อไม่ก็ทกัทง้อทงอยากตัดลูกตัดเต้า เบื่อไม่กระทั่งวัดวาอาวาสบางทีนี่หนูดิเนี่ยมันจะขาดแล้วเชือกมันจะขาด ห, หนูขาวหนูดํานี่เข้ามาแล้วมันกัดนะ่ะกัดเอากัดเอากันเฮ้ยขาดขาดขาดเนี่ยเนี่่วงลงไปนี่เจ็บพอดีนะ่ะกูนี่ตายพอดีเนี่ยพวกอสรพิษเนี่ยซึมซับเข้าหาตัวเองนะวิชาตันหาอุปท า, านกรำได้ทีเลยที่ทําง่ายจริงจะหลุดรอดได้มันหลุดรอดไม่ได้หนื่อยหน้าเข้ามา มีน้ำมิ้มหยดอยู่บ้างบิดไปบิดมาน้ำพึ่งนิดๆหน่อยๆก็กินนน้ำมิ้มน้ำพึ่งเนี่ยก็คือสุขเวทนานี่มันมีความสุขบางนิดๆหน่อยๆเป็นหยดๆบ้างเพลิดเพลินกับนี่จนลืมตายลืมงูลืมหนูมันจะกัดไม่ได้สนใจอะ่ะมันหนึ่งอยู่กับวันเนี้ยแต่น้ำพึ่งนั่นเดียวก็หมดเพราะไม่ใช่พึ่งหลวงพึ่งใหญ่อะไร เป็นน้ำมิ้มน้อยๆอยหรือเป็นน้ำถ่าวันอะไรที่บิดแล้วมันหยดออกมาเนี่ยเท่านั้นเองชีวิตเนี่ยเราทําทุกอย่างเพื่อมากินน้ําที่มันหยดออกมาจากถาวันนั่นไปวันๆนิดๆหน่อยๆทํายังไงมันจึงจะแจ่มแจ้งทําไมจึงจะแจ้งชัดทำไงเราจรึงจะไม่เข้าไปสู่วัฏวนวัฏสงสารวัฏ ของการแก่การเจ็บการตายกาันต้องวิ่งวนเหมือนคนคนนี้ชีวิตของคนคนหนึ่งถ้งวิ่งนหนีหนูจะไปเกาะเถาวันเนี่ยทำไมไม่ถึงพ้นพราวะแบบนอะนได้ทำไมจึงจะเห็นว่าข้างล่างนะคืองูพิษแน่ๆ น, นะนั่นก็คือต้องมาทําดวงตาให้เกิดหละมาเปิดดวงตาเบิกพระเนตรทําดวงตาให้มันเกิด เห็นไห้ทํางานที่ไห น, นกูจะลาออกไปทํางานนั่นไหนจะได้มากกว่าไปไหนก็เหมือนเดิมมันไม่หนีจากสังสารวัตรอันนี้หรอกชีวิตเนี่ยเบ้นไว้แต่ว่าเราจะเจริญสติมีความเกิดวิปัสสนายานเกิดการลูกแจ้งเห็นจริงนแล้วอยู่เหนือขบวนการที่มันหมุนอันนี้ได้แล้วเราจะเป็นบุคคลที่อยู่นอกนิทานนอกตำหรับตำลานอกสมมุติโลก เราจะอยู่ในโลกรุตกะระทำอยู่เหนือโลกนะวิธีการก็ไม่มีอะไรมาเฉยกับทุกสิ่งซะรู้สึกตัวรู้อะไรเกิดขึ้นเกิรับรู้แต่ถ้าเฉยแบบไม่รับรู้เป็นสมถะได้เฉยแบบรู้เป็นวิปัสนาบางคนเฉยแล้วไม่สนใจสักอย่างอะไรเกิดขึ้นก็ไม่สนใจไอ้ไม่สนใจเนี่ยเป็นสมถะนะเป็นวิธีการให้จิตมันสงบเฉยแต่นี่เป็นวิปัสนาวิปัสสนาก็คือรู้เท่าทันมัน อะไรเกิดง่วงก็ลู้ง่วงเบื่อก็รู้เบื่อขี้เกียจก็รู้ขี้เกียจรู้รู้จนขนาดไหนที่เป็นนิพพานารู้จนกรทั่งมันเกิดการรู้แจ้งรู้จนอาการนั้นหายไปเพราะทุกอย่างคืออนัตตามันไม่มีจริงแต่ที่เราไปติดอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่ามันติดอารมณ์มันนี่มันติดอยู่ในอารมณ์มันออกจากอารมณ์ไม่เป็นนั้นเอาจนทั้งอารมณ์นั้นมันหลุดโกรธก็จนกร้ทั่งมันหายเบื่อก็จนกระทั่งมันหายขี้เกียจก็จนกระทั่งมันหายนั้นทุกอะไรเกิดขึ้นเขาให้ดูทุกดูทุกดูทุก ทุกสมุท Indeed, ัยนิโรธมักดูจนกระทั่งม mm ันเป็นนิโรธดูจนกทั่งมันเป็นนิโรธแต่ถ้าไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ใช่นิโรธไม่ใช่มักนะมักนี่ไม่ใช่สนใจและไม่ใช่ไม่สนใจสนใจก็ไม่ใช่ไม่สนใจก็ไม่ใช่เป็นผู้ดูผู้ดูไม่หนีไม่อยู่ไม่สู้ไม่ถอยไม่หนีไม่อยู่ไม่สู้ไม่ถอยปรัชญานักปฏิบัติธรรมเป็นผู้ไม่หนีไม่อยู่ไม่สู้ไม่ถอย แต่เป็นผู้รู้รู้เฉยเฉยไม่ได้หนีแต่ไม่ได้ไปอยู่ในอารมณ์ไม่ได้สู้ไม่ได้ต่อสู้เอาเป็นเอาตายจริงเอาจริงแต่เป็นผู้รู้เฉยเฉยรู้แล้วดับเนี่ยเป็นวิปัสนาแต่ถ้าสู้จริงจังเอาเป็นเอาตายมันจะเป็นโทสะนันเตรียมตัวไปปดว้ปฏิัติวารทำความสะอาดวัด